ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่ห้าว่าด้วยการเป็นธาตุตันหา 1. ผู้เห็นแฝ่อามิตร 2. ไม่คุ้มค่าเข้าสุข 3. ขี้ตามช้าง 4. ติดบ่วงในพราน 5. ผู้ถูกกล้าม 6. หมองูตายพระงู 7. อมิตตพิกขุ 8. เป็นโรคชอบเที่ยวเรื่อยเปื่อย ขุมทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่หว่าด้วยการเป็นท่าตันหาผู้เห็นแก่อามิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทมีสองชนิดสองชนิดอะไรกันเล่าสองชนิดคือภิกษุบริษัทที่หนักในอามิตรแต่ไม่หนักในพระสัทธรรมหนึ่งภิกษุบริษัทที่หนักในพระสัทธรรมแต่ไม่หนักในอามิตหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทที่หนักในอามิตร แต่ไม่หนักในพระสัตธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเหล่าใดกล่าวยกยอกันเองต่อหน้าพระหัตผู้ครองเรือนว่าภิกษุรูปโนนเป็นอริยบุคคลชนิดอุพเพโตภาคาวิมุตทรูปนั้นเป็นอริยบุคคลชนิดปัญญาวิมุตทรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดกายสักขีรูปโนนเป็นอริยบุคคลชนิดทิฏฐิปัตตะ รูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นอริยบุคคลชนิดสัทานุสารีรูปโน้นมีศีลมีอาการเป็นอยู่งดงามและรูปโน้นทุศีลมีอาการเป็นอยู่เลวทรามดังนี้เป็นต้นภิกษุเหล่านั้นย่อมได้ลาเพราะการกล่าวยกยอกันนั้นเป็นเหตุครั้นได้ลาบแล้ว ภิกษุพวกนั้นก็พากันติดอกติดใจในรถแห่งราบสยบอยู่เมาหมกอยู่ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกขทําการบริโภคราบนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทอย่างนี้แลเราเรียกว่าบริษัทที่หนักในอามิตรแต่ไม่หนักในพระสัทธรรม คุ้มค่าเข้าสุขภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ก็ไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ขหาบดีหรือบุตรข้าบดีก็ตามเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วนิมนฉันอาหารในวันรุ่งขึ้นภิกษุนั้นมีความหวังในอาหารนี้ก็รับนิมนคลั้นราตรีล่วงไปถึงเวลาเช้าเธอครองจีวรนเธอบาทเข้าไปสู่เรือนค้าบดีหรือบุตคขาบดีผู้นิมน ถึงแล้วก็นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ข้าพเดีหรือบุคข้าพเดีได้เลี้ยงเธอด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีด้วยตนเองให้อิ่มน้ำสําราญจนเธอบอกห้ามความคิดเดียเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นในขณะนั้นว่าวิเศษจริงขหบดีหรือบุคข้าพดีนี้เลี้ยงเราด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีด้วยตนเองจนอิ่มน้ำสําราญถึงกับเราต้องบอกห้ามดังนี้แล้ว ภิกษุนั้นยังหวังต่อไปอีกว่าโอ๋หนอแม้วันต่อๆไปก็ขอให้ครหัส์หรือบุตรครหัสนี้เลี้ยงเราด้วยของคิ้วของฉันอันปราณีและถึงอย่างนี้อีกเถิดดังนี้เธอนั้นได้ติดในรถอาหารหลงในรถอาหารสยบอยู่ด้วยความยินดีในรถอาหารไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจมแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกฉันอาหารนั้น ภิกษุนั้นย่อมครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในความบ้างครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางเครียดแค้นบ้างครุ่นคิดอยู่ด้วยความครุ่นคิดในทางทำผู้อื่นให้ลำบากโดยไม่รู้สึกตัวบ้างตรงที่เธอนั่งฉันนั้นเองภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าทานที่ถวายแก่ภิกษุผู้เช่นนี้หามีผลมากไหมเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าภิกษุนี้เป็นผู้มัวเมาแล ที่ตามช้างภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วมีสะใหญ่ในที่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายได้อาศัยหากินในสะใหญ่แห่งนั้นมันลงสู่สะแล้วใช้งวงถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาแล้วแกว่งไปแกว่งมาในน้ําทําให้หมดเปลือกตมแล้วใส่ปากเคี้ยวให้ดีเสียก่อนจึงกลืนลงไปการกินอย่างนี้ของช้างเหล่านั้นย่อมทําให้เนื้อตัวเปล่งปัง่งมีพละงกาลัง และไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อที่ช้างนั้นรู้จักกินนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนพวกลูกช้างเล็กๆอยากจะเอาอย่างช้างใหญ่ๆบ้างมันจึงลงสู่สะบัวนั้นใช้งวงทอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาในาน้ำมีเปลือกตมติดอยู่ก็เอาเข้าใส่ปากไม่ได้เคี้ยวให้ดีเสียก่อนกลืนลงไปแล้ว การกินอย่างนี้ของพวกลูกช้างเล็กๆนั้นย่อมไม่ทำให้เนื้อตัวเปล่งปลัง่งมีพะละกำลังแล้วยังจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อที่ลูกช้างเหล่านั้นไม่รู้จักกินนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายในกรณีนี้เวลาเช้าครองจีวรเถอบายก็ไปสู่ญานหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิธบาต ผู้พิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมกล่าวทำอยู่ในที่นั้นๆผู้กระหัตผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมทําอาการแห่งผู้เลื่อมใสอันหนึ่งผู้ภิกษุผู้เทระนั้นเล่าก็ไม่ติดอกติดใจไม่สยบไม่เมาหมกในลาบนั้นๆเป็นผู้มองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกแล้วจึงทําการบริโภค克าบนั้น การบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เทระเหล่านั้นย่อมทำให้ร่างกายสุขไสมีพะละงกำลังและไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะข้อที่ท่านเหล่านั้นรู้จักการทำการฉันนั้นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ภิกษุผู้ย่อนวัยอยากจะเอาอย่างผู้ภิกษุผู้เทระเหล่านั้นบ้างเวลาเช้าก็ครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต พวกเธอก็กล่าวทำอยู่ในที่นั้นๆพวกกระหัตผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้หย่อนวัยเหล่านั้นย่อมทำอาการแห่งผู้เลื่อมใสอันหนึ่งผู้ภิกษุผู้หย่อนวายนั้นเล่าก็ติดอกติดใจสยบอยู่เมามกอยู่ในลาบนั้นๆเป็นผู้ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกทำการบริโภคราบนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เด็กๆ เ, เหล่านั้น ย่อมไม่ทำให้ร่างกายสุขใสมีพลระกำลังชนิดเดียวกับที่ผู้บริโภคเพียงเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์แต่ได้กลับถึงซึ่งความตายรู้ได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ภิกษุเด็กๆ เ, เหล่านั้นไม่รู้จักการทำการฉันนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสาเหนียกใจไว้ว่า เราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ติดอกติดใจไม่สยบไม่เมาหมกในปัจจัยลาภมีปกติมองเห็นส่วนที่เป็นโทษเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกทำการบริโภคปัจจัยลาภนั้นๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว้อย่างนี้แหล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 ภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมูพวกใดพวกหนึ่งติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกรารมคุณห้าอย่างเหล่านี้แลก็ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกทำการบริโภคกามาคุณทั้งห้านั้นอยู่สมณะหรือพราหม์พวกนั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับ แล้วแต่มารผู้ใจบาปต้องการจะทำตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบวงนอนจมอยู่ในกองบวงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับต้องทำตามประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อในพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย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 ถูกล่ามภิษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุนีก็ตามยังตัดเครื่องล่ามทางใจห้าอย่างให้ขาดออกไปไม่ได้แล้วเคืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญมิได้เครื่องล่ามทางใจห้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิษุทั้งหลายภิษุในกรณีนี้ยังเป็นผู้มีความกำหนัดในการทั้งหลาย ยังมีความพอใจมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อน sheriff, มีความทยานอยากในกามทั้งหลายภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทําให้เนืองเนืองเพื่อความเพียรอันติดต่อกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคงจิตของผู้ใดไม่น้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่หนึ่ง ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังเป็นผู้มีความกำหนัดในกายละถึงนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สองซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งภิกษุยังเป็นผู้มีความกำหนัดในรูปนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สามซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งพิษุได้ฉันอาหารเต็มท้องตามประสงค์แล้วก็มัวหาความสุขในการหลับหาความสุขในการเอ็กายเล่นหาความสุขในการนอนซบเซาไม่อยากลุกขึ้นนั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่สี่ซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้พิษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพิษุประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเทวดาพวกใดพวกหนึ่งว่า เราจากเป็นเทวดาผู้มีศักด์าใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยชนิดใดชนิดหนึ่งด้วยสีนี้ด้วยวัดนี้ด้วยตาบะนี้หรือด้วยพรหมจันทร์นี้ดังนี้ภิกษุใดเป็นดังกล่าวนี้จิตของภิกษุนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพื่อความเพียรทำให้เนืองเือ ง, เ, องเพื่อความเพียรอันติดต่อกันและเพื่อความเพียรอันเป็นหลักมั่นคง จิตของผู้ใดไม่น้อมไปในความเพียรดังกล่าวนี้นั่นแหละเป็นเครื่องล่ามทางใจอย่างที่ห้าซึ่งเธอยังตัดให้ขาดออกไม่ได้ภิกสุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกสุหรือภิกสุนีก็ตามยังตัดเครื่องล่ามทางใจห้าอย่างเหล่านี้ให้ขาดออกไม่ได้แล้วเคืนวันของบรรพชิตรูปนั้นย่อมผ่านไปโดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหาความเจริญมิได้ เช่นเดียวกับคืนวันแห่งดวงจันร์เวลาข้างแรมดวงจันร์นั้นโดยสีก็ไม่แจ่มกระจ่างโดยวงกลดก็เล็กแคบเข้าโดยรัศมีก็เสื่อมลงโดยขนาดก็หดเล็กลงฉันใดก็ฉันนั้นแหล ภิกษุทั้งหลายไม้พันใหญ่ซึ่งมีเม็ดเล็กๆแต่อาเติบโตมีลำต้นสูงใหญ่มีธรรมดาชอบงอขึ้นคลุมต้นไม้ทั้งหลายนั้นมีอยู่บรรดาต้นไม้ที่ถูกมันงอขึ้นคลุมแล้วย่อมหักเล็กหักใหญ่ย่อมผุพังไปกระทั่งสูญสิ้นไปเลยต้นไม้เช่นว่านี้คือต้นอะไรบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายต้นไม้เช่นว่านี้คือต้นโพต้นใสต้นมีลขุ ต้นอุทุมพรต้นกรจชะกะและต้นกะปิธนะนี้แหละคือไม้พันใหญ่ซึ่งมีเม็ดเล็กๆแต่อาจเติบโตมีลำต้นสูงใหญ่มีธรรมดาชอบงอขึ้นคลุมต้นไม้ทั้งหลายทำบรรดาต้นไม้ที่ถูกมันงอขึ้นคลุมแล้วให้หักเล็กหักใหญ่ให้ผุพังกระทั่งสูญสิ้นไปเลยพิสษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นที่กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ละกามทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วออกจากเรือนบวชเป็นคนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนักบวชผู้นั้นกลับเป็นคนที่ต้องเสียหายย่อยยับลวนจากพรหมจันทร์ด้วยกามทั้งหลายชนิดเดิมอีกนั่นเองหรือด้วยกามที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าเดิมที่ตนกลับสะสมมันขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าถึงกามของตน ภิกขุภิกษุทั้งหลายมิที่เป็นภิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะห้าอย่างเหล่านี้เป็นคนที่ใครๆไม่ควรครบ5้าอย่างอะไรกันเล่า5้าอย่างคือ 1. ภิกษุนั้นชอบใช้ผู้อื่นให้ทํางาน 2. ภิกษุนั้นชอบก่ออธิกร 3. ภิกษุนั้นทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อเหล่าพระเทระชั้นครูบาอาจารย์ 4. ภิกษุนั้นชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายหภิกษุนั้นไม่มีความสามารถในการแสดงในการชี้ชวนในการปลุกปลอบในการร้าให้เกิดความบันเทิงด้วยธรรมีคะถาตามเวลาอันสมควรภิกษุทั้งหลายมิที่เป็นภิกษุที่ประกอบด้วยลักษณะหอย่างเหล่านี้แลเป็นคนที่ไครๆไม่ควรครบ ชอบเที่ยวเรื่อยเปื่อยภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้เป็นโทษสําหรับคนชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือ 1. เธอย่อมไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ 2. เธอย่อมเสื่อมถอยจากสิ่งที่บรรลุแล้ว 3. ไม่เป็นผู้แตกฉานช่ําชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้ว 4. เป็นแต่โรคที่ทําชีวิตให้ลําบาก และเป็นคนไร้มิตรภิกษุทั้งหลายโทษห้าอย่างเหล่านี้แหลเป็นโทษสำหรับคนชอบเที่ยวไกลๆและไม่มีจุดหมายหมวดที่ห้าจบ